เอยสังเกวเวตเหตุการณ์สามสิบทั้งหลายที่มั่นอยู่ในวัดของเราเนี่ยดที่ไหนก็สั้งมาเถอะหลายสิบปีที่ทำมาผมคอยอบรมลูกศิษย์ตุคหามากจนกลัวผนฉลาดบางอย่างกับพวกพระมนลูกศิษย์ตุคหามฉันจะยกตัวยอย่างง่ายๆให้ฟัง ที่เข้ามาหาผมนี้บางคนก็อยากจะขอความคำเข้าเร็วๆผมมาเสนอเพื่อนี่ฟังคนระับผมจะปล่อยไว้จะเป็นมาจะเป็นเนรจะเป็นพระอาคันตูกะหรือสระนวะกะที่มาใหม่ผมปล่อยไว้เฉย ปล่อยไว้ไม่ได้ๆๆสอนอะไรอย่างนี้วาละหนึ่งผมปล่อยไว้ประการที่สองนั้นเข้ามาตร้งขี้เลยอันนั้นจะต้องทำอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องขึ้นอย่างนี้นแต่เขาเรื่องแปว่าเมื่อผลที่ได้รับแล้วสู้ ทุกลอยนว้ไม่ได้คือเราลอยไปตามธรรมชาติเลยคือมันเป็นธรรมชาติของจิตคิดในร่ายแรงอะไรในตรงพูดก็อลอยไปเลยลอยไปอยู่ไปฮะบางทีก็หลายเดือนแต่อว่าเราก็ต้องสะกดรอยอยู่สะกดรอยอยู่พระองค์นั่งอยู่เนรีองนั่งอยู่อุบาตกคนนั้นอยู่สะกดรอยคือได้ปล่อย เมื่อเราสืบรายตามผู้เรื่องตามเป็นจริงแล้วเราก็รู้จักมันผิดตรงไหนมันเป็นอะไรแล้วก็ต้องรู้จักจะแก้ตรงไหนอะไรมันอย่างนี้แล้วก็ต้องรู้จักวันหลังมนโอกาสดีๆก็จ้มาพูดให้ฟังพูดให้ฟังมันก็ถูกผิดมันเลย สืมันไม่เจเ็กพราะวามันมีอยู่แล้วเราเห็นแด้น่ะนแล้วก็ปล่อยตามธรรมดานี้ธรรมชาติปล่อยไี่เห็นชัดสอนเข้าใจกว่าดีกว่าฉลาดกว่านี่เคยได้อย่างนี้มากการที่สองนั้นก็เลยมากสอนที่จัดไปเลยนี่เลยคนน้อยทำไม คือมันหลงอารมณ์พูดธรรมะสอนธรรมะนี่มันก็มีความเชื่อมันก็ติดอารมณ์น่ะมันหลงอารมณ์น่ะอารมณ์นี่มันหลงน่ะอารมณ์บึมนี่มันก็หลงอารมณ์ขั้วนี่มันก็หลงมันหลงอารมณ์มันไม่ใช่ว่ามันเชื่อว่าความจริงมันเชื่อในความจํา อันนี้ทำแบบประกาศศาสนาโดยการจำในความจำไม่ค่อยประกาศศาสนาโดยความจริงสองจังพวกนี้ที่อยแล้วรหยรู้อะไรอะไรหลายอย่างเนี่ยดูกลัวมากกลัวน่นหนากว่า ถึงจะอยู่ไปนานๆก็มีหลักดีกว่าอะไรกว่าถึงแม้มันเป็นของธรรมชาติมันอนี่โดยมากคนที่จะรู้จักเร็วเข้าไวแต่ว่ามันอารมณ์หลงอารมณ์มท่านสองประการ น, นี้เนี่ยที่ทไไํานมาโดยท้่สอนอย่างนั้นเราทําไมเราจึงรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้มาจากไหนเราได้มาจาก การสอนจิตของเราเองไม่เคยมาจากสอนใครเท่าไหร่สอนจิตของเราการสอนจิตของเรานี้เราก็ทดสอบอย่างนั้นบางทีมันมีความรักเราก็ปล่อยมันไปเถอะมันจะไปถึงไหนมันมีความเกลียดเราก็ปล่อยมันไปเถอะมันจะไปถึงไหนเรามีหลักเพราะว่าเราตั้งมั่นอยู่ในทคําสอนของพระพุทธเจ้า อยู่แล้วปล่อยไปถึงไหนแล้วก็ปล่อยมันไปฮะมันจะรักไปถึงไหนมันจะเปรียดไปถึงไหนเน่เมื่อมันรักไปถึงจุดสุดมันเนีองมันก็ตายเหมือนกันเมื่อมันเกลียดไปถึงจุสุดแล้วมันก็ตายเหมือนกันนม่ทางรักในทางเกลียดเนี่ยมันมีราคาเท่าเ่ากันราคาอะไรมันราคามันเป็นเรื่องอันยิ่งใหเรื่องทุกข์ขังเรื่องอนัตตาไม่แน่นอนอย่างนั้น เป็นของในเนนนอนแหงนี้เราก็ได้ความรู้มาจากอันนี้เช่นว่าแม้อันฉันอาหารอันนี้มันอร่อยมากไม่เกินแต่เราไม่พูดถ้าพูดตามเขาอย่างไงอร่อยเยอะเกินนนี่นนี่ยมันต้องพูดตรงไปเลยนะแบบนี้เราจะพบอาหารที่อดิษอร่อยแต่ ถ, ถไม่พูดอร่อยก็มันอร่อยไปเยอะมันจะไปถึงไหน ไม่อร่อยแล้วก็ไม่อร่อยแต่เอไม่ต้องพูดมันนี่เรปล่อยมันไว้แต่เราจิตเรรู้อยู่ว่าคําพูดออกมาว่าอร่อยนี้นะว่าอร่อยนี้มันเกิดมีเหตุมาแล้วมันจึงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี้าหากว่าเราไม่พูดว่าอร่อยนะมันก็อร่อยอยู่แล้ว ถาราไม่พูดว่าไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยอยู่แล้วที่เรามีคำพูดขึ้นมาที่หลังว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี้เมื่อพูดตามความจริงแล้วน่ะมันมไม่มีความอดทนไม่มีความอดทนเนี่ยพูดตามตัวนนะไม่มีความอดทนเนี่ย ถ้าเรามีความอดทนนะมันก็ยากที่จะรู้ความจริงเช่นว่าวันนี้ถูกอารมณ์จะเรนมองเห็นกิเลส ง, ง่ายๆเร็วๆนีอาการสังวรสังรวมอยู่เอออยู่เห็นอยู่พระพุทธเจ้าสอนพระอนุนว่าอ น, อนนทำให้มากจะเรญให้มากเช่งให้มาก ผู้ไรเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ไรเห็นเราผู้นั่นเห็นแต่สาคตใครเห็นแตาคตผู้นั่นเห็นผลีพานเป็นต้นนี่ความอดทนฉะนั้นการปฏิบัติทุกสิ่งทุกตัวเนี่ยมีความอดทนเป็นแม่บทดังนั้น<ม>ความวาอดทนี้มีหลักอะไรมากเชมนว่าเราโกรธเราพูดพุ่งไปเดียดนั้นก็ทะเลาะกันเดียวนี้นไม่เห็นประโยชน์ในการอดทน แตดึถ้าวะอดทนโดยเฉพาอันนั้นในรับอดไม่ทนไม่เท่านั้นเนี่ยเพื่อเราเลยนม่เขึ้นมาจิตใจเมื่อเรามันเห็นการอดทนเนี่ยมันก็รู้จักประโยชน์ในการอดทนเมื่อรู้จักประโยชน์รู้จักการอดทนแล้วก็รู้จักผิดเราก็รู้จักทุก์เมื่อเรารู้จักทุกเราก็รู้จักมีของทุก เมื่อเราไู่จะเหตุของทุกข์เราก็รู้จักปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์คนเราที่ว่ามันไม่รู้นคือมันไม่รู้อะไรนายอย่างที่เราจับในปูกมันนะจะว่ามาพูดตามความจริงแต่คนมันไม่รู้อะไรไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์เมื่อรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่เองเท่านี้ ืซึ่งทำทั้งหลายเรานี่เกิดดับอยู่บ่อยๆในจิตของเจ้าของนี้อืมเมื่อมันทุกเกิดขึ้นมาก็วุ่นวายไปเลยใช่ไหมคำตอดว่าเป็นอะไรอะไรที่ตามชอบใจเราเนะ่ะแต่ว่าอาสารนั้นมันเป็นเหตุให้ทุกเกิดเราพอดีทาเหตุอ น, นั้นให้มากก็คือเราไม่รู้จักทุกเมื่อมีทุกอยู่มันก็ไม่เห็นทุก ไม่เห็นทุกมันสงสัยแบบปลาอยู่ในน้ํามันจะเห็นน้ําต่เดือนมันกินที่ดินอยู่ในดินมันก็ไม่เห็นดินอย่างนี้นั่นรถยนตเนตามันสว่างแค่มันไมเห็นตัวตัวรถยนตมันจะเห็นมันมีมีความสว่างแต่เขาทำตาให้มันตารถยนต์มันมีแสงสว่างเกิดที่ตามันนั่น ก้อนจริงรถยนต์มันไม่เห็นอะไรเลยมันจะมีประโยชน์เฉพาะคนนั่งรถยนต์นะเราะนั้นแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์รถยนต์ไม่ได้สว่างไม่ได้เห็นอะไรตรงนะั้นคนผูนั่งรถยนต์มีประโยชน์ไดีย น, นะนี้จะเรียกว่าแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์รถยนต์ไม่รู้เื่คนอื่นรู้เรื่องลักษณะแบบนี้มาก มันเป็นสายอย่างนี้มากไอ้สิ่่งทีเรามีความรู้กันมากมากแต่ทําไมให้ทุกข์เกิดขึ้นมามันเหมือนรถยนเนี่ยเนี่ยมันมีฝังสว่างอยู่ด้วยกันแต่มันไม่รู้จักให่มันมองไมเห็นนี่มองไม่เห็นอันนั้นเราก็มีความรู้มากๆเรียนฝ่ายโลกก็มากเรียนฝ่ายธรรมก็มากๆแต่ทําไมนั่นไม่กำจัดทุกข์ออกจากใจของเราได้ ก็เพราะมันไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรมันไม่รู้อะไรมันไม่รู้รทุกข์ได้แต่มารู้องเหตุกิดทุกเกิดอีได้ไม่รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ไม่รู้นี่คนเรามันทุ่งเกิเหตุอย่างนี้มาถามปัญหาบ่อยๆเอ๊ยคนนั้นทําไมเป็นมหาตนี้ทําไมสึด ไม่สึดอย่างยัก็ไม่ทำบาวบอหลายอย่างทำไมถึงอย่าง น, นงีอันมหานั่นมันเป็นชื่ออันนึ่งหรอกในการเรียนมากแต่มันก็เป็นอย่างนึ่งนะไอ้ที่มันเป็นจริงของมันมันไม่มากมันไม่น้อยไม่ใช่เรียนมากไม่ใช่เรียนน้อยเรียนพอเหามาะสมประพฤตบผลของมันเท่านั้นมาปฏิบัตใิให้ถูกให้ถูกต้อง เี้ยตะนจริงๆก็มันน้ำขันหนึ่งเนี่ยน้ำและขันขันหนึ่งเนี่ยเนี่ยอืมอมันจะเหลือขันนะแต่มันไม่เหมาะสมมันใน่พอดีอะโนนเปื่อเพื่อนที่ว่ามันมาเต็มขันนั้นมั่นก็ไม่เหมาะสมเือนกันมันต่องอยู่เป็นนิดอ่มันมีรายประโยชน์เท่าที่ควร ทามันได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั้นมันก็เดียกว่าน้ำน่ะมันเตรีมขันพอดีไม่ร่องแล้วก็ไม่เหลือมันเรื่องว่าน้ําน่ำกับพอดีกักขันขันกับพอดีกับน้ํานี่เป็นเหตผลพอสมควรเอาคนเราที่เรียนรู้มากๆนั้นไม่ใช่รู้อันนั้นมันพาเราสําเร็จประโยชน์อะไรมาก เรียนรู้อะไรทั้งหลายนั้นเนี่ยมันก็ยากแต่ว่ามันมยุ่ยงงอกอรู้ที่ไหนก็ช่างมันเถอะที่ดีไหวความรู้ความรู้ให้ทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราให้ทุกข์เผาผลาญใจของเราให้ใจเรากระสับกระส่ายให้ใจเราไม่สบายเป็นอ น, นาถาทั้งหลายเหล่านี้ในนับเนื่องเรู้ในพุทธศาสนา มันไปคนละแนวกันมันไปคนละอย่างกันอืมทํำไมคนเป็นเงินมันรู้ในรอบมันทึ่เป็นอย่างนั้นมันสุกในรอบมันรู้ในทวีติ้องอืมเนี่ย ม, ม, มันรู้ในทวีติ้ ง, งการเรียนรู้มานี้เรียกว่ามันก็ไม่ยากการจะเอาความรู้ไปทิ้งนั่นแหละมันลาบาก การหาเงินหาทองหาลาบหายศสารพัฒอย่างมามันก็ยากแต่ว่ามันไม่ยุ่งอ่ะมันยากเนี่ยแต่มันยิ่งด้วยที่เราจะรอันนั้นจะยิ่งอันนั้นอ่ะจะมีราบจะมียศก็ช่างมันให้มันอยู่อย่างเก่ามันของเก่าให้มันเป็นอย่างเก่ามันเพี่มด้วยว่าคนรู้จักอย่างเราทำบทหลางนี้ขึ้นมา เมื่อแท้ของมันมันก็มีอิสีาปูเนเมื่อแท้ของมันที่มีเครื่องประดับมันเกิดมาพ้นสีเอาสีอะไรใส่แล้วคตรกะหลงสีมันมีสีกะช่งมันเราจะ ร, ะรืนอีกกิสฉปูนเป็นหลัก เ, เรื่องมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันทันนั้นเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้หรือเราจะอะไรกะช่างมันจะเราจะมีลาบหรือเราจะมียศอะไรเธอ อย้าไปกลัวมันถ้าไปกลัวมันก็ไม่ดีเหมือนกันอืมไปกลัวมันก็ไม่ดีอืมไปกลัวมันก็เป็นที่เดีอดชนิดหนึ่งเหมือนกันทําให้เราอ่อนสมรรถภาพในการภาวนาเมื่อต้อดตกตีการอะไรมันที่มันเหมาะสมแล้วอืมนต้นอืม ฉะนั้นการะาปตปฏิบัตินี้ทำตม่ให้กลัวภาปเุ็นเจ้าไม่ให้กลัวอันกลัวนี้บางคนมันก็กลัวซะอย่างอื่นใช่ไหมไอ้กลัวมันหิวกลัวมันอะไรต่างตมันเหน็ดมันเหนื่อยมันบากอยากทานอะไรต่างๆอันนั้นมันเป็นกลัวภายนอกอืมกลัวถ้าหากว่าเราไม่กลัวใจของเราแล้วอย่างนั้นเราก็ไม่กลัวทั้งนั้นนี่ ไอวมนันะพุทธเจ้าตันอย่าไปกลัวใจเฮานะทุสิ่งทุกอย่างนั้นไม่กลัวแหละกลัวใจกลัวใจเพิ่กลัวจะเอาไม่ไหวกลัวจะทนไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นเน่ะมันกลัวมันเนื่องจากจิตอืมมันเนื่องจากจิตนี้อืมมันเนื่องจากจิตของเรานี้ทั้นั้นอะไรก็ช่างมันเถอเหตุมันตรงไหน พอถูกอารมณ์มันเกิดความทุกข์นั่นแหละมันไม่ถูกแล้วอืมมันเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นแหละเรามองเห็นแล้วว่าอันนี้มันไม่ถูกแล้วถ้ามันถูกมันไม่ทุกข์เพราะว่าโลกนี้โลกที่เราเกิดมานี่นะี่ยมันพอดีแล้ว มันมีเครื่องพอดีสมบูรณ์มีพอมันจะเจ็บมันจะไข้มันจะร้อนมันจะตายมันจะขิ้นาดอะไรก็ช่างมันเถอะมันพอดีแล้วมันจะดื้อพอดีตรงนั้นอืมจะดื้อพอดีตรงนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนว่าให้เป็นโรกปฏิทูหรือเจ้าโรคอันนี้อื โรคคืออารมณ์นี่แหลอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ชั่วบ้างที่ชอบใจเราบ้างไม่ชอบใจเราบ้างทุขบ้างทุกบ้างอะไรทั้งหลายเหล่านี้อันนี้คือโรคถ้าเราในรู้มันมันก็ทุกเห็นมาโรคนี้มันมันช่างเป็นอย่างนั้นอมมันไม่ชอบใจเรา มันไม่เหมาะสมกับความคิดของเราในารัฟติตามตีทุกข์แต่ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วอื ม, มทำไมมันเป็นทุกข์ไปปรารถนาของอย่างนั้นอืมมัไมสมหวังของเราโลกนี่มันไม่สมหวังตามใจขอเราทุกอย่างอืมอืม ตรงนี้แหละทุกมันเกิดขึ้นตรงนี้ทุกที่มันเป็นอย่างนี้เหตุมันเกิดขึ้นตรงนี้เราจะพิจารณาดูให้ดีๆก็ได้ว่าโรคนี้ทำไมมันทีง่งสม่ําเสมอโรคนี้เรามีสัจธรรมอยู่แล้วเต็มพื้นแผ่นดินเนี่ยมันมีสัจธรรมอยู่แล้วถ้าใครรู้โรคนี้ตามสัจธรรมอันนี้มันตะน้น ฉะนั้นท่านจึงอย่าโลกระดูรู้แจ้งถ้ารู้แจ้งโลกนี้ก็เป็นสัจธรรมรู้อะไรรู้สุขนี้รู้ทุกนี้รู้ที่ชอบใจนี้ไม่ชอบใจนี้รู้ร้อนนี้รู้หนาวนี้รู้ให้มันรอกทั้งหลายนี้นี่ยคือสัจธรรมแล้วฉะนั้นเนี่ยใครรู้โลกอันนี้เป็นโลกระดือถูรู้แจ้งโลกอันนี้ท่านั้นเนี่ย สิ่งที่มันมีอยู่นี้เท่านั้นเลยใันเป็ปกติโลกนี้มันเป็นปกติปกติอะไรคือปกติมันจะต้องเป็นของมันอย่างนี้ดูสิใครเห็นอะไรไหมมันมีอะไรปกติไหมพูดง่ า, งงายๆเช่นว่าพระพุทธเจ้ า, าสอนว่วาวันอันนี้มาตัวของเรานะอันนั้นไม่ใช่เรานะอันนี้มาตัวของเราอันนี้มาเจของของเรานะ เท่านี้ก็พอแล้วยังเทตกธรรมะพอแล้วแต่มนุษย์เราทางไหนไม่พอไม่พอทำไมเพราะไม่คัดเพราะไม่เห็นคับเพาไม่เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงตามธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะรับท่านนะมันยอมรับอันนี้มันไม่ยอมรับ응 ดังนั้นน่ะพระจิตสุขสำนึเงเหล่านี้ถูกวดเข้ามาสิพระอุปชาสอนให้เรียนกรรมฐ า, านสารพัดอย่างอืมนะให้เห็นไม่เห็นเ้ื้อสอนเรื่องจริงทั้งนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องในจริงนะเจ้าโลมาณฑาทันตาตะโจนเท่านี้ ไม่ได้ยินเลยให้ท่ า, านเอาไปพิจารณานะให้ท่านอไปภาวนานะไม่ไม่นี่มันจินตายงนี้มันเลยเป็นแบเป็นพิธีบวชกันจอืมไอความตรงจริงทั้งห้าประการ น, นี้มันเป็นพระขันนะ่ะเป็นดาบพระขันนะตัดทางเข้าสู่ปณิพน์ ตอนเราไม่ยอมรับทำไมไม่ยอมรับถ้าว่ามันไม่ดูไม่ได้ยินมันก็เป็นเหมือนแบบปลาอยู่ในน้ํามันไม่เห็นน้ำปลาเบญมันกินดิกินดินแต่มันไม่รู้จักว่าดดินนี่มันหลงอยู่อย่างนี้มันุษย์เป็นไสยหลงอย่างเดียวมันหลงอยู่อย่างนี้อืมช่วร่างกายของเราในทุกส่วนเนี่ยมันไม่สวยนะเราเนี่ยเขามิจะไม่ยอมรับ มันไม่สะอานะไม่ยอมรับไม่แน่นะไม่ยอมรับบางที่โกรธนี่น่าห่งพูดถึงเรื่องอันตรายทุกขังอันตร า, ายฟังเรื่องเกิดเกิดแย่แย่เจ็บเตายตายยอมบางคนลุกไปเลยไม่ยอมรับไม่ยอมรับอืม ทำไมไม่ไมยมับเพราะไม่รู้ความจริเงเองถ้ามันรู้ความจริงแล้วมันก็ยอมรับแต่มันน่าจะยอมอยู่แล้วนะอะไรที่มันยอมมันไม่รู้จกัก ท, ทุกไม่รู้จกักเหตุเกิดของทุกไม่รู้จักความหลับทุกไม่รู้จักข้อบปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกมันทึงเป็นอย่างนั้นเช่นคนหลายคนที่มาวัดตรงกระตรงนี้ผมเอาโครงกรุโหลกไวในนั้น กมจะนั่งสังเกจดูดูกันบางคนจะไปดูดูจนว่าดูปัดบางคนจะมองเห็นกรอบเลยแล้วไม่อยากจะดูไม่อยากจะดูกลัวกลัวเครียดกลัวคนนั้นทำไมถึง เ, เป็นอย่างนั้นคือคนไม่รู้จัก เขาเดมาจากบ้านเขามาวัดตรงปะโปงนี่มันมาด้วยอะไรนั่งรถมามันมาด้วยอะไรลงรถมาแล้วเดินเขามาในวัดนี่มันเดินมาด้วยอะไรไม่ใช่ระดวกหรืาาอเปล่ามั่งกลัวนอนในเตียงนี้ห่มผ้าห่มเปลือยเดียวกันกับมันเนี่ะดนะวกกลัวนอนนเตียงนี้ อันนี้มีปัญหาหลายอย่างบางทีถ้าจะทำอะไรกันต่างๆปลูกบ้านเพืนหยิบขาไสยาบากันเอากระดูกผีนี่ไปฝังไว้ในตู้บ้านแม้บ้านมันจะสบายชิดหายหมดแต่ผมพิจาราทั้งหมดไม่เรืองชิดหายการนอนตรงไหนไม่ใช่กระดูกถ้าไม่มีกระดูกก็เป็นเศียรเปลี่ยนเปลี่ย พอะถิ่งสมผมที่จะหาวผมว่าไม่มีอะไระไม่มีอะไรเพรากระดูกที่รเราเยอะแยะไปนังับกันัับกระดูกนอนกันอนพับกระดูกเดนก็พากระดูกโดนไปดี้รู้ว่ามันจะเฉดจะยำตรงไหนมันจะเป็นนาทีจันใดตรงไหนไม่รู้ไม่มีอะไรถ้าเราเห็นทับศูนย์ก็เรามีอะไรจะเอาตังโกรสังคืมาสังใต้ศูนย์กุฏิเรามันก็ไม่มีคิดมีภไปอะไรมันคนละเรื่องกันหมด ไอ้ความเห็นแบบนีม้มันจะขาดจากการทำดีๆตองกินไดนนน้เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นมันเยอะฉะนัะ้นคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้รู้ให้เห็นรู้อะไรเห็นอะไรเห็นที่เราน่งอยู่นี่แหละเห็นใน ร, ร่างกายของเราเนี่ยให้มันรู้ั มันรู้ความจริงถ้ารู้ความจริงเนี่ยมนุษย์เรานี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากความันเป็นธรมรมชาาิอันหนึ่งเท่านั้นแหละฉะนั้นเมื่รู้ตามความารจริงแี่ก็สบายแต่ไม่สนุกนะแต่มันสงนบมันสงบแต่ว่ามันสุมันไม่สนุกมันสงบ คนหาความสงบนี้มันหาได้ง่ายหาความสงบมันหายากหาความสุขนี้มันก็หาง่ายๆแต่หาความสงบมันหายากแต่มันซ่อนกันอยู่นั่นแหละแต่มันุดไม่ได้ความสุขหนึ่งความสงบหนึ่งมันต่างกันไกลกันนะข้ากับดินเนี่ยต่อเมื่อใครมาู้กแจ้กเราสุขกับสงบนี้ก็เลยเป็นเดียวกันนี่มันเป็นคนงี้ มันใก่้คิดกันชนิดมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่คิจารณาเมื่อเห็นความสุขแล้วตอนนี้เรามันสงบแล้วอย่างนี้แต่ความเจริงความสุขความทุกข์ความสงบนี่มันคนละอย่างนะทุกข์อยู่ต่เรามันสงบทุกข์อยู่แต่เรามันสงบมั่นเป็นเพรามันอยู่อย่างนี้เช่นการเราสร้างบ้านหลังหนึ่ง หรต่้งรูปพระจางรองขึ้นทำเป็นเบ้าทำให้สวยสดงดงามแต่เมื่อเราไปเทียวทองแล้วนะเราทุบเบ้ามันทิ้งจะเสียดายไม่เสียดายม่เยเป็นองค์พระเลยก็ทิ้งเบ้ามันทิงแต่ตอนนั้นมาเที่ยวทองนี่จะต้องระมัดระวังเบ้ามันให้ดีให้สวยให้งามสมมตนี้ก็คือกาั น, น, นั่นวิวหนี้ก็เป็นเงินตัน สมมติถ so the the so so ือว่าอาศัยอยู่นี่นันจะเป็นเรื่องสมมติทิ้งมันไปได้แต่เพามันเป็นสมมติใมันเป็นุมันก็เป็นไปไม่ได้จะต้องให้มันเป็นสมมติสมมติว่าเป็นพระสมมติว่าเป็นนสมมติว่าเป็นนั่นเป็นนี่นั้นเป็นเรื่องสมมติัมันก็ลกันยนั้นสมอันมวใบหนึ่งเลกมันก็มีเนื้อมันก็มีไมันก็มีมันก็มี พวกเราทั้งหายจะไม่ี อ, อะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าสันโตตานประพฤติปฏิบัติทีเนี่ยป้ที่เจรนาปจวิทั้งหลายเนี่ยที่จรนาเล่าเล่าเราเล่าอยู่อย่างนั้นคือให้รู้จักตามความจริงมันนี้ถ้าไม่รู้จักตามความจริงมันก็จีวรมันก็ลาบากบินธบาทมันก็ลบากอืม เส้นอาสนะมันป็ลนาบากยาบาบัดโลกมันกั่นลำบากทังนั้นเนี่ยถ้าราม่รู้ตามความจริงมันสียถารู้ตามความจริงมันเนี่ยมันจกคนไม่มีอะไรไม่คนมีอะไรมากมายเลยจะยุดมันหรือถือมันมันอะไรไม่ได้ก็แค่ว่ามันจป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทั้หลายจึงมาถูกเป็นพระสมมติแม่สมารียนสมมติ ให้ดีเมื่อจะมาปฏิบัติเป็นพระสมมติอย่างไรเป็นเนมสมมติอย่างในเมื่อว า, า, า, านนี่างไอย่านี้บ้างวันนี้เรามาโกนผมผมผ้าคายแต่ว่าพัดสมมติว่าเป็นพระสมมติว่าเป็นเนมพูดตามส่วนนั่นแล้วไปยังไงเป็นพระนั่นเองไปยังไงเป็นเนมนั่นเองเนี่ยทาไมถึงว่าพระมันนินพระโดยสมมติเนมโดยสมมุติ หรือจะเปรียบเง่ายๆในที่นี่ไม่มีทรายก็ไม่มีเกลือนะอืมเราจะอธิบายด้วยจุนึ่งที่จ ะ, จะมีเกลืออ ม, มีเกลือเราจะทเอาทรายมาวางในตรงหน้านี้สมมติว่าเป็นเกลือแต่ความจริงมันเป็นทรายแต่เอาทรายมาสมเป็นเกลือันก็เป็นเกลือให้นันเอง ย, ยังไม่เป็นพระยังไม่เป็นเมร พราะอะไรพระนี่มันบวชไม่ได้มันต้องมาปฏิบัติก็ทีนี้พระไม่มีเรื่ไม่มีที่เอามาบวชเป็นพระจันเมิตนตรงนั้นที่นี้เตือนในมีจึงทำอาศัย ร, าาราวาะวังเฉพาะหน้านี้สมมติว่าตายสมมติว่าตัวนเพราะเ ท, ทานั้นดังนั้นข้อประพฤติปฏิบัตินี้มันถึงเป็นเรื่องจําเป็นที่สุดพวกเราทาั้งหลายมันขอเว่าเราปฏิบัติเถอะอย่าไปพึ่งถามมันอะไรเลย ว่าปฏิบัติมันถูกทางมันเถอะพยายามศึกษามันถูกทางถูกเรื่องมันมแต่ว่ามันก็ไม่เคยถูกเรื่องง่ายเพราะว่าการปฏิบัติมันไม่ชอบใจมนุษย์ แ, แล้วอย่างในคุณป่าเหรอไหมลนะูกศิษั์หนังน้อยอขันก็บ่จะขอจะเอามาถวาย มันคือจะฉันใจะเนบาตจะรวมแบบทั้งข้าวทั้งหวานทั้งวุ่นวายไม่ชอบใจแล้วทำไมเราถึงทำอุตสาห์ทำอุตสาห์ทำต้องพยายามทำเนี่ที่เราไม่มีสัทธานะทุกวันเนี่ยพูดง่ายๆเรามาสยามท า, า, าตามอุตสาห์ทำตั้งทำอดทำเรียวกับการปฏิบัติถ้าเพืกอจิใจมันไม่สบายเลว อ ย, อยงนี้ต่อว่าเราทามี่จะความอดทนอดซ้ำเราทำกันอย่างนี้มันจึงสบายบักไม่สบายบักบางทีสุกบางทีไม่สึกออย่างนี้การปฏิบัติเป็นพระสมถ น, นีามันจึงยุ่งยากลําบากามากเลยกันพายเรือทวนน้ํา ก็พูดง่ายๆก็เรียกว่าไม่ทำตามใจของเราเหมือนทุกอย่างใครทำตามใจของเรานั่นเป็นต้นไม่เห็นธรรมะไมา่เห็นธรรมะไม่ได้ปฏิบัติพูดตั้งใจปฏิบัติแล้วก้อนของกระพายเดือดพวนน้ำไม่ชอบ แ, แต่ต้องทำ ตอว่าเามงเห็นมันอยู่ถ้าเราทาได้อย่างนี้ต้นาปานี่มันรกต้นไม้มันใหญ่แต่ว่าทาไร่ทำนานี่มันงามดูว่าเรามาเห็นมันก็จะอาเจยที่เกียจทําครเหน็เอยะไรทั้งหลายเานี่ยแต่อาจารย์เปก็ต้องทำเพราะว่าที่นี่มันงามที่นี่มันเกิดคน เพาะน่นพวกนักบวชนักโคตรเราทาั้งหลายจริงรู้สึกกับเขามาบวชแล้วบางคนก็มาถึงแล้วก่อนมามีศรัทธาเมื่อมีศรัทธามาทำไม่ตามพระใจเราแล้ ว, ลวสะพรอย่างนี้เพราะนั้นตามปฏิบัตินี้มันจริง็นของสำคัญ ม, มากพวกเรา ท, าานะทั้งหลายนั้นเกิดประโยชน์ทั้งตนและทั้งผู้อื่น เพราะเวาทําสิ่งที่ไม่ตามใจเราตรงนั้น่ตนคนเราไม่ค่อยหุนในการคิดคานาหรือพูดง่ายๆว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเรานาะอันนี้ไม่ใช่ของเรานาะพูดแถวนี้คนบางคนก็ไม่ยอมรับไม่เห็นความจริงทำไมไม่เห็นความจริงเพราะไม่คิจารณาให้มันดิ่นไป ว่าเราเคยเห็นไหมว่าคนจะเป็นเสรอผีกะตุมผีอะไรก็ช่างมันไปนมันมีนอะไรไหมมันเป็นตัวของเราจริงจริงไมมันเป็นตัวของเราจริงจริงไหมไอสิ่งที่ใ น, น, นตัวเราเนี่ยที่เราสร้างขึมาเนี่ยเป็นของเราจริงจริงไเราม่ซ้ำ ล, ลงไปที่นาให้มันแน่นอนระบาย ถ้าเราสร้าก็จะเห็นความแน่นอนมันก็จุ่มอยู่แล้วจุ่มมันจุ่มอย่างนั้นก็เคยมีอะไรมันก็เปนเนี่ป็นธรรมาติอันหนึ่งเ้ยตัวเแล้วมันก็รับใสอยู่นั้นนี่ไม่มีอะไรหมดไอ้คนคิดว่านี่ตัวเราหรือของของเราคนนั้นก็ไม่ถ้าคนคิดขึ้นมามันได้มาแล้วก็คนรคิดจะคิดอย่างนั้นมันไม่ได้สักคนหนึ่งเลยอันนี้ไม่ใช่ว่ามันปกุิแต่มันมันชัดเจนเรียบเรียน ไม่ใชวละมันตกเกิดที่ไหนมันขับเกิดในกันรู้ทุกคนแต่พวกเราทั้งไหนนี่จะยอมรับเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือว่าเราเกิดมาแล้วแก่เสียตายทุกคนอย่างนี้อันนี้คนก็ไม่ไปรับที่เจริญนาเพราะไปเตือนซะอย่างอื่นีนยใจมันเป็นเจ้าหมองไม่สว่าง พอถึงลูกตายผัวตายเมียตายร้องให้กันดั่งเด็กกันมัรมาคิดเช่นนี้เรามนุษย์จะมีไหนมันโง่ด้เกินน่าไม่ใชว่าตายคนเดียวสองคนมันตายคนเราเกิดมาเห็นคนตายกี่ศกมาแล้วนี่แล้วเห็นคนเวดมาเท่าไหร่ทำไมมันถึงหลงทาไมมันถึงไม่รู้จักก็เห็นทุกวันทุกวันทุกปีทุกเดียน ในภาษาหนึ่นงเราก็เปลี่ยนข่าวัดสร้างเครี่องข่าววัดอะไรโดยมากก็เฉพาะพระที่เข้ามาใหม่มาทางแรกทำงานหยาบๆทำงานหยาบหลายอย่าง เพื่อให้ห่ามันเป็นปัจจัยเกี่ยวกับาอดทนส่ความเป็นคนนั่งทงานในทางที่ชอบนั่นมันก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วล่ะบางท่านบางองค์นั่นมันก็ดุริแรงูืหมความวเรามาบวชแล้วไม่ต้องทงานอะไรนะก็ะต้องสวดมนต์ก็ต้องภาวนาอย่างนี้บางทีมีเสน่หนอย่างนี้ก็ได้ แต่ความเป็นจริงนั่นงานทุกประเภทคือมันเป็นประโยชน์ที่ถูกต้องมีทางพุทธศาสนาอยู่แล้วเมื่อทำก็ไปแล้วมันเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชนเย์เพื่อการภาวนาด้วยแต่ว่าผู้ใหม่ยังยังมองไม่เห็นว่าควรจะนั่งสมาี่วันจาเราอย่างเดียว อย่างนี้เป็นตไม่เคยมีมาหรอกเช่วนว่าง่ายๆนะเราจะามันทํางานมันลำบากนอนมันสบายดีเอาใครนอนโดยทีมันจะสบายนะอ น, นอนไปเรื่อยมันก็ไม่สบายเท่านั้นแหละครับอนั่งก็สบายดีนะี่มันสบายกี่นาที น, ะนั่งแล้วมันก็อยากไปอย่างอืน่นอีก มันเป็นอย่างนี้ครับความจริงมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันต้องรู้ทีหลังจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงทั้งแม้ว่าเราจะเดินไปมันก็เป็นการภาวนาสมถทานทั้งแม้ว่าเราจะขันจังขันมันก็ยังเป็นสมถทานภาวนาเราอยู่แม้เราจะกวาดลานวัดอย่างนี้มันก็ยังเป็นการภาวนาซึ่งผู้มีปัญญานะแต่คนใหม่ๆนี่ไม่ค่อยจะเห็นครับเห็นว่ามันยุ่งมันยากให้มันกระทบอันมันยงยุ่งส เรามันจะมีกําลังนะให้มันเหน็ดนห้มันเหนื่อยให้มันยุ่งยุ่งในทางที่ชอบแต่เดี๋มันเหนื่อเป็นอะไรแล้วครับมันจะฉลาดขึ้นมาละมันจะอดทนมันจะมีความอดทนแม้จะทนต่อการงานอย่างเห็นแม้มันขี้ติดติดไปมันก็อดทนต่ออารมณ์ทางหลายไปนั่นแหะถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้ม <ton> ันก็ถูกไปทุกอย่างดังนั้นก็ออทุกข์กัญชา รางภาษานี่มันซึื่นภาษาขอ้อนัญษามาแล้วก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอย่างอื่นก็เปลี่ยนอย่างนึงเปลี่ยนไ ป, ไป้นว่าท่านอาจารย์เลี่ยญท่านเสน่ห์สุนมาเนี่ยท่านอาจารย์เสน่ห์สุนมาก็เพราะว่าได้อบรมกันมาพอควรแล้วดังนั้นผมจึงถามว่ารู้จากเรื่องเดนจงกนแบบนี้ยังรู้จากเรื่องรู้จากวิธีการนั่งแบบนี้ยัง รู้จากวิธีแล้วสวดมนต์รมวัดก็รู้พอสมควรแล้วรู้กันแน่ดีอย่างถ้ารู้กันแล้วนั่งสมาธิก็เป็นจนเด็นลักษณะนั่งอย่างไงกำหนดอย่างไร็นแล้วถ้าวนแล้วที่นี่ก็อยากจะให้ทำเพียนในั่งสมาธิเดินจงจงให้มันถนัดให้มันถนัดโดยวิธีอะไรโดยวิธียุกวัดส่วนรวม แล้วก็ให้สวดมนต์ทำวัดในสติของใครของใครกราบไวหว้มันไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาดู อ, ออกมาตักน้าตักชาแล้วนะหาหน้าแบบเข้าเบินนพรมออกมานในนี่ออมาใลานลนั่งาาเลยวีหม้ ย, ง, ง, ยงบ่าแล้วก็เดินล้วมาคุยกันเนี่ยน่าจะจพักคุยกัน เรเคยว่าพักไหนมันนอนสบายนะอืถ้าว่าเรามีการประชุมกันอยู่อย่างนี้นะงานทั้งแรงการนั่งมันก็มีน้อยเดินมันก็มีน้อยสําหรับผู้ใหม่สําหรับผู้เก่านั้นทําใดน้อยเลยมากของการรักจะทำนัดจะกระโอะไรก็ช่างมันเถอะท่านก็ไม่ว่าจะไม่ทำท่านก็ไม่ว่าการทําทุกวันนี้ก็เพราะเฉราะท่านผู้ใหม่รู้เรื่องกันตรนั้น จะคู่ชีกเก่าๆผมอยู่ก็อยู่ในป่าเนี่ยมีแค่เนินเก่าๆด้วยกันอยู่เดีเยกันม่ต้องทำวัดะครับมันสบายมากเลยคุณแตนน่ไม่ใช่ไปคุยกันนะไม่ใช่คุยกันหันจังหันแล้วก็ออกไปแล้วก็แต่สติของเรเวลามันดีเลยจบบาทขึ้นแล้วจากจีวรึงเดินจนรมอย่างนั้นกัเท้งหยุดไม่ไปคุณสติพักก่อน อนั่งกระชากเลยหนึ่งสองสามไม่อ่ะก็สามชั่วโมงลงทําจิตวัดของเราแล้วจะมีขวดาตาักประวดจะมีตักน้ำประตักเสร็จแล้วก็เข้าอาบน้ำอาบผ้ากันแล้วก็เลิกกันจะมีการชั้นวุ่นชั้นยาก็าเป็นเวลานัดหมายกันมารวมกันอืออันนี้เลยได้เวลาที่จะทําทํางานส่วนตัวมาก พอทำงานส่วนตัวมากน่ น, นะอย่าไปโม่งไปทางอื่ น, นให้ม่งว่าการกภาวนาอย่าไปหมงว่าคุยกันมากไม่นอนมากพักผ่อนอยังไงไม่ใช่อย่างนั้น mm. เรียกวาการเปลี่ยนข้อวัดถ้าเราไม่เปลี่ยนก็นเลยนะ mm. ไม่เปลี่ยนก็นเลยนะมันก็ไม่ใจะดีไม่ใจะดีนะจิตใจของเราเน มันก็แค่ดูจากไม่ค่อยฉลาดการทําวัดส่วนตัวมันเป็นอย่างนี้ได้ประโยชน์อย่างนี้การดูจากทําวัดอย่างนั้นมาทาจิดส่วนตัวมันมีประโยชน์อย่างนี้เหมือนกับเราฝ่ามือหน่ comigo, า ม, าม erna, ือแหละคิทางนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกขึ้นมาอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะได้เข้าใจอืออือวนกลับไปกลับมาอย่างนี้อเราก็เกิดประโยชน์ส่วนตัวของเราแปลว่า ให้ธรรมให้เงียบสงบให้ตั้งใจปฏิบัติเพราะว่ามันคอ่อนพัรษาแล้วเรียนจะจะเป็นธรรมบัตรส่วนรวมก็จะเป็นบรรพะท่น อ, อ, อย่าฝ่าโลก เวลาจิตส่วนดวงมันน้นอยที่สุดจิตส่วนตัวให้มากขึ้นแกว่าเคยทำมาแล้วมันมีประโยชน์เนบางท่านแล้วจะถูกใจกับคนที่สี้เสียดเนี่ยมันใจใอยางงั้นเห็นไหมมันถูกใจกับบุคคลที่สี้เสียดนอนสบายหรืออยู่สบายอะไรสบายแล้วจะเอาเรื่องอื่นขึ้นมาฉันึกว่ามันจะดีตัวนี้ก็ไม่ดี เสียหายมากมันเป็นเรื่องเสียหายมากมันเป็นแอย่างนั้นแต่ว่าเราจะายยาแหเป็นอย่างนั้นให้เขาใหญ่ไเราปฏิบัติขึ้นพัรษาข้อนพรรามานตายพยายามมันจินจริงจงจังขอวัดอันใดที่เรายังในดีมันบกของยกขึ้นยกขึ้นอันมันเพิ่มขึ้นอันมันดูขึ้น เช่นว่ า, ายกตัวอย่างเช่นว่ากล า, างวันเราไม่นอนเราจะนอนกลนคืน อ, อย่างนี้เป็นต้นหาดูเราจะนอนกี่ชั่วโมงมีแรไปใจา่ายของเราเราจะยึดใจของจะของเรื่องเอาขอวัดอะไรตะกวนไปได้ก็เอาอ ยาวอะไรก็เอาอย่างแขนตืดแล้วกลับไปกติถ้าขาใจจะเดินจยุดลงไปถึงเที่ยงทั้งเดินจนกลมทั้งนั่งสมาธิเทียเ่ยงแล้วก็เลิกหลอกใจไปก็พักผ่อนเแล้วก็เอากันถึงเวลาจะทำเที่ยงต่อไปได้มีเรื่องอะไรในใจอะไรจะมันพูดมากหรือมันอะไรมากทั้งไหนนะนี่ก็หยุดมัน มีเคลื่อทำให้มันน้อยเข้าน้อยเขา้านี่เรียวกว่าทำข้อวัดให้มันดีขึ้นไม่ต้องไปปฏิบัติอย่างอื่นแล้วครับแด้ปฏิบัติกันในมันมันดูเรื่องกั้งนี้การภาษารรมที่เราพูดกันนั่นแหละไรเลยทำไปเลยแต่ว่าสร้างให้มันเกิดประโยชน์ผมอยากจะให้รู้จัก ประโยชนในการกระทําในการกประพฤติฏิบัตินี้ถ้าเรื่องจิตใจของเรานะี่ยเมื่อจะทําอะไรก็ทํากันใช่ไหมเมื่อจะทําวัดกันอย่างนี้ตั้งขึ้นมาก็ทําวัดอเมื่อมาประชุมกันมันพร้อมเพียงกันประชุมเมืเ่อเลิกประชุมก็พร้อมกันเลิกอย่าไปมีมายาสาไถวันนั้นวันนี้อะไรเด้อเม่อจะนั่งประชุมกันฟังธรรก็ฟังกัน เมื่อจะทำบัดก็ทำกันอย่าดีอย่าเรีย่ยงอย่าอะไรถ้าว่ามันไม่สบายขอโอกาสกับเพื่อนใชกับครูบาอาจารย์ใช่ไมผมไม่สบายผมขอพักให้มันตรงไปตรงมาจะได้ประกาศประองนัินพักก่อนการ ส, สามัมันดีการนี่มันดีแต่คนหนึ่งนั่งคนหนึ่งสัมมา ไอ้คนหนึ่งฟังคำไอ้คนหนึ่งก่อนนี้อันนี้มันไใช่เรื่องของปฏิบัติแล้วทาเล่นกันนี่มันจะแยกมันจะแตกเพอข้อวัดปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อื่นใดแต่วัดเราดูนั่นก็จะงมีเลยไม่ใช่วัดอื่นที่อืน่นนะชาติทํนกันไปชนี้ก็ไม่เป็นธรร ม, มะไม่เป็นธรร ม, มะมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรร ม, มะเท่านั้นฏิบัติดผลตรจมามันก็ติดกันนั้น ไอ้ที่เราไม่ได้ถูกสมมติว่าํานั้นถูกสมมติว่าทำนี้อย่างเช่นไรถ้าตาทีโมกอย่างนี้เป็นต้นห้ามเคลื่อนจากที่ท่านห้ามท่าน อ, ออกจากก ต, ตินั้นมีข้อวัดอย่างนั้นพระที่มีอุปการะแก่สงอย่างนี้เป็นต้นนอกจากจะเป็นอย่างนั้น เราอย่าไปมองคนอื่นจีิงเราตั้งใจที่ทำํำไมถึงมันตั้งใจถ้าหากเราทํามันได้อย่างนี้แล้วก่ออย่าไปมองคนอื่นครับไอ้นคนนั่นไม่มาคนนี้นไม่มาบางทีทำวัดเจนจะเสจไว้จึงมาอทํานทาจนจะหมดได้จึงมามไม่ไม่เปเรื่องอะไรั่านนี้ท่านทําวัดท่านจดมุนท่านฟ่งเทศออกไปหานั่งหาเล่นหาต า, ามนั้นมันจะได้เรื่องเลยครับ ไม่ได้ควาเลยอันนี้เพราะว่าใหญมันมีในวัดระงนอกจากไปธุระอุเชระปัจว์ฮะร่งั น, ง น, น, นใหญมันมีเลยเหี้ห้ยเสียมตามพอมองเห็นก็เสียมกันเลยหมนนคนนั้นทำอย่างนั้นคนนั้นก็ยทอย่างนั้นคนนั้นก็ต้องเ็ไปหมดเต็มไปหมดบางาาทิ้งไว้ ค่ออานภาษาเราไม่มีใครอยากจะมาทำอ ะ, อะไรก็ไม่อยากใครทำแต่ก็เคยเป็นนะไม่ต้องทำดั๊ดั้มอย่างเงี้ยจายิงไปคุยกันใช่ไหมจะยิงจะหาเล่นอย่าง น, นมีโอกาสอย่างนี้ก็มีขมงลัวมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ตัวแล้ว ม, มีเคยพั ก, ก่อนมาทุกปีนั่นแหละถ้าคนที่ ไม่มีปัญญาหรือคนผีดโง่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เช่นอย่างหนึง่งก็เอาอย่างนึง่งไม่เอาอย่างนึง่งก็เอาอยาดีดีอย่างเดียจนได้อมีแต่คนทำมาันเนื้อนกันอย่างนี้ทำไ ม, ไมเ น, นื้อเงนกันไม่รู้มันไม่รู้จักไม่รู้เรื่องแต่าพูดอย่างนี้มันจะนำความเสื่อมมาหาเราดูเพื่อนนิไห้แล้วก็ทําอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์แต่เราดูเพื่อจะหาทางนี้เกิดอมทางนี้ป่าว ไม่่อยทำหนึ่มัน่มาเชื่อจุจ้านิตวิวาของเราเนี่ยคิดเห็เนี่ยดลบได้ตัวดีเรี้ยงไดก็ัดีอะไรก็ดีทั้งนั้นแ ไ, ไม่ต้อไปกันในรูปวันนั้นยมันเสื่อมเพราะอย่างนี้ไม่ใช่อิจใจมันเสื่อมเพราะอย่างนี้ข้อวัดนี่มันนี่เราคือศีลข้อวัดข้อวัดนคือศีลต้นข้าวต้วนมันดีอะไรมันดีรวงมันจะดีก น, น, นันเอ มันจะไปอะไรที่ไหนอันนี้ขอให้พักกั น, นพ้นคิดให้มันดีๆหน่อยไม่ยุ่งยากและหนึ่ให้โอกาสได้จะมีไปใหาออกผลสารแล้ววันหลังก็ีจะประชุมกันในในรู้จักรู้เรื่องกันทุกปีแล้วก็ทํามาทุกปีพักผ่อนให้มันสบายในทำหน้าที่อย่างเต็นที่รองรองอยู่ที่อ่าทางว่าทํางานแล้องปฏิบัติงานให้ปฏิบัติโดยที่ไม่จะปฏิบัตินะ ใช้เงนเดือยมีการตักน้ำเพื่อกวดลานวัดที่ไหนมันรกที่เราทำอะไรไหนตักน้ำมันจะทำแต่ตะลุกใช้โอกาสเป็นโอกาสไป ห, หาโอกาสที่จะต้องทำแต่ระเดินจงกรมทำเพียรในกติกของเรามันร้อนก็ออกมาทางนอกออกมาทางนอก ตามชายปานตามลานวัดบิๆดๆก็หน่อยแต่เราขี้เก็เดินจกงกรมถามไปมการเดินจงกรมเย็นๆมาดอแ น, น่นมาแล้วก็คนมันมาหลายนี่ล้วจะหม่มผ้าก็ดีคือมันจะตีเราไมูุ่นไรงกลางคืนนี้จมันเป็นอะไรถ้าว่าตอนเย็นๆมาคนมาแล้วก็ห่มๆผ้าก็ดีเดิน แต่ว่าถ้าเรานุ่งห่มเบือบร้อยเราไม่มีอะไรเพให้ทำใหนันไม่ความนะให้มันไม่ความต้องคืมาอยากจะคิดมาทำที่นี่ก็ได้บนโบสถ์นี่ก็ได้แต่อย่าคุยกันะนะมาคุยกันบวงเบ่งบงเบ่งไม่ได้ตรงนี้คิดมาในโบสถ์หยุดกันเบ่งถ้าหยุดก็จะหยดหมดละแล้วจะทำนั้นนะ การทำอะไรๆกันก็หยุดเข้าปฏิบัติกัาาาานออกจากคารวดมาบวชแล้ว<ะ>ยังไม่ดีอือ ม, มันจะอาศัยบุญว่าสนาบารมีของเก่า น, นี่ยลั่ง่อมาไปบวช่อมาแล้วก็อยู่นะก็คอยชิ้ใจตนาไปก็เห็นอยู่ในใจแต่ว่ามันไม่ชัดช้ากว่าม๊ มาถูกการอบรมอะไรต่ออะไรชอบมันจับเป็นเหตุให้ยีพาให้วิจานจะตามเรื่องของเราบางองค์ก็เห็นในง่ายบางองค์ก็เห็นใน ย, ยากบางองค์ก็ไม่เห็นเลยอ <c oughs> ไมนเห็นเลย <c oughs> อย่างแต่บวชสมาทุกท่านเนี่ยทุกองคเน่ะบางคนก็สอนยากบางองค์มันก็สอนลาบากสอนง่ายเนี่ยทาไมมันจะยังง่าย ทำไมมันเป็นอย่า ง, งา น, <ำ>นั้นนั่นก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ว่าตั้งแต่ครั้งนี้เลยในครั้งพุทธการก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่ฉะนั้นพวกเรานั่นจริงแนะนําท่านสอนกันทํานพี่จํานชัยกันจำจำสัจากตอยู่ไม่ได้หยุดที่ไหนประทามทีเดียต้องเป็นอย่างนี้ข้ออะไรมันมีอะไรปนเปยกันหลายอย่าง ลักษณะจิตใจของพวกเราเนี่นนะโดยปกติแล้วนะเนี่ยมันอยากจะอสบขาคนอืนะ่นมาด้วยไปนะเอาดูตัวตัวคนเดียวอย่างนี้อันนี้มันจะมีอยู่ถ้าเป็มีธรรมะแล้วพี่เรนานแล้วทุกเมื่อมันจะเห็นแก่ตัวอยู่เป็นต้นนะอมันกบไม่ตะโดนเปวนตามอารมณ์นั้นเพราะว่าอันนั้นมันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจุดอย่างนี้ อาลมณ์นั่นในระวางจิตของท่านอย่างมืดบอดไลยทีเดียวทุกเมื่อบ้าชอบอย่างนั้นอยู่จะแต่เห็นอั น, นั้นมันจิตอยู่เนี่ยก็เป็นอย่างนี้นแล้วก็วิาพากษ์วิจารกันไปด้วยการประทุษปฏิบัติเยแ ล, ล้วก็เรี้ยงกองเพียรมาเปลี่ยนไปพิจารณาเรื่อยๆไปอย่าง น, น, น, นั้นมันจึงเป็นปัญหามั น, นเป็นปัญหาอืม ทาไมมันสอนยากํทนไน ม, มันลําบากอะไรทั้งนายแล้วนี่นหละมันเพราะมันเป็นเพรจิตของบุคคลอืมจิตของบุคคลท่านสอนอะไรที่เราเทศในกันฟังเนี่ยมันเรื่องจริงจงทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมื่งฟังก็ฟังอยู่แล้วลูกออกจากที่นั่งเไม่เอาไปด้วยในทีน่เดียวนะเราต้องพูดอืนนอ่นไกรแล้วข้อปฏิบัติเนี่ยมันมันเป็นของแน่นอนมาตั้งแต่อุประชาท่านบอกแล้ว เขาบอกว่าเจาโลมานะคาทันตาตะโจตะโจทันตานะค า, าโลมาเจตาเราก็ว่าไปตามท่านอย่างนั้นแหละ ว, ว่าไปเฉยๆไมไ่รู้เรื่องอะไรยังไม่มีอะไรสักิด ม, มีแต่คำพูดเท่านั้น เ, นเรื่องจิตใจไม่ได้คิดทีนเมื่อวดวสมาแล้วก็ ไปเอาอย่างอื่นครับไปเอาอารมณ์ที่เราเป็นคารวะาที่นี่พูดตอนที่พูดเรื่องคารวะการกระทํา ก, กับทาอย่างคารวะาอะไรจะอย่างคารวะามดัดอนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะอะไรทําให้ของดีไปก็เราทั้งหลายในรู้เรื่องอืก็เลยกลายเป็นประเพณีไปกายเป็นประเพณีไป หรมื่อวัวมาแล้วก็ไม่กรรมฐานนี่เดี๋ยวยังไม่รู้จักว่าทากรรมฐานทากันยังไงผมเคยพบอยู่มาง า, า, า, า, า, าน ไ, ไม่รู้จักทำกรรมถานี่กมรฐานทุกชาติบอกใครั้งแต่แรกเ่ยววดเนยไม่รู้เรื่องว่าเป็นกรรมฐานนียให้เราเห็นชัดก็ไปดูมเ่เจสามานะขาตันตาตาโจที่ท่านบอกนั่นสน่ที่ท่านสอนให้หนะเนี่มสารความจริงเนีกคนเอนเนี่นย แต่ว่าเราไม่ทิ่จะไดมาแต่จะมีน้อยไม่มีเลยอย่างจะมีน้อยบางงงก็มีแต่ตอธิบายฟังอันนั้นเป็นเครื่องจับจิตใจอยู่เสมอเราที่จอยู่ด้วยด้วยอทำกรรมฐ า, า น, มนก็ง่ายขึ้นอืทํากรรมฐานก็ง่ายขึ้นอันนี้มันต้นเลยโมระกรรมฐานนี่ เนมันเป็นมูลมันเป็นลากมันเป็นปากมันเป็นทางแห่งการปาฏิบัติถ้าหากว่าเราเห็นสมณหาฐานทั้งห้าในตัวของเราเนี่ยเห็นว่ามันไม่เป็นแก่นเป็นสารไม่เป็นไม่ใช่ของสี่งดงา ม, ม เ, เป็นของสี่โสโครอะไรทั้งหลายอะไรนีนม่มันจะเป็นอย่างนั้นบอกไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าไม่ ไ, มได้ จนกระทั่งเห็นไปว่ารูปนามเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเออมันก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่สาวแต่เราไม่เอาไม่เอาเอา เ, อาเข้าในที่ประจุคือไม่เอาเข้าในที่สบงบระงับแ้วยที่เวทนาหรืปัญญาของเราพูดแล้วกอแล้วไฟสันนั้นเรียกว่าเราไม่ทํา ไอ้ความจริงๆมันก็เรื่องไงเนี่ยเรื่องที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องปฏิวัติเนี่ยแต่เราหวดสมาแล้วมันก็ไม่เห็นแบบนี้แม่น้ขนาดว่ า, านนทนายโดนชุมโสมแบบนี้